มีอาจารย์คนหนึ่งนะสอนไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่ปกติอาจารย์ทั่วไปก็จะบรรยายหน้าชั้นนะบางทีก็หันหลังให้กับชั้นแล้วก็เขียนใส่กระดานแต่อาจารย์คนนี้นี่มีวิธีสอนที่แตกต่างจากคนอื่นช้าวันหนึ่งก็ถือแก้วนะ แก้วน้แล้วก็มีน้ําอยู่เกือบเต็มนะชูให้นักศึกษาดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยน้าในแก้วเนี่ยมันหนักมันมีปริมาณเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่คนหนึ่งก็บอกร้อยกรัมอีกคนหนึ่งก็บอกสองร้อยกรัมอีกคนก็บอกสี่ร้อย ก, ก, ก, กรัมนะ บอฟังคำตอบเสร็จอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกสิ่งสำคัญกว่าคือว่าเราถือแก้วเนี่ยนานแค่ไหนอย่างแก้วใบเนี่ยนะถ้าถือไว้สักนาทีนึงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสบายแต่ถ้าถือไว้ชั่วโมงหนึ่งนะ มันก็จะปวดเมื่อยแล้วถ้าถือไปทั้งวันเลยนะแขนนี่ก็จะชาเดี้งไปเลยนะที่ขยับเยลียบอะไรไม่ได้เลยน้ำหนักของแก้วนี่มันก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราถือมันนานๆ เสร็จแล้วอาจารย์ก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยปัญหาหรือสิ่งที่เราวิตกกังวลเนี่ยก็เหมือนกันนะถ้าเรานึกถึงมันสักประเดี๋ยวประดาาเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเรานึกถึงมันสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะก็จะเป็นทุกข์ละและถ้าเรานึกถึงมันทั้งวันเลยนะ เราก็จะแย่เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยหมดสภาพนะวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยนะไม่ว่าจะถืออะไรก็ตามเนี่ยนะต้องรู้จักวางบ้างปัญหาหรือสิ่งที่เราพิตกกังวล เราจะคุ้นคิดถึงมันบ้างนะมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราคุ้นคิดถึงมันหรือแบกมันไว้ตลอดนี่เราก็จะแย่เลยไม่ว่าปัญหานั้นเนี่ยมันจะเล็กน้อยแค่ไหนแต่ถ้าแบกหรือว่าถ้าไปคุ้นคิดกับมันอยู่ตลอดนี่ มันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาได้อาจารย์ก็ให้ข้อคิดกับนักศึกษานะที่น่าสนใจนะสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ถ้าเราไปหมกบุนคุ้นคิดกับมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยนะ เวลาเพราะว่าตัวเองมีสิวเนี่ยทั้งที่นี่มีสิวไม่กี่เม็ดนะบนใบหน้าเนี่ยแต่ถ้าไปหมกบุ่นคุณคิดกับมันเป็นชั่วโมงช่วโมงกินข้าวก็คิดไปเรียนหนังสือก็คิดดูกับเพื่อนก็นึกถึงมันอาจนามก็นึกถึงมันมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาทันทีเลย แล้วเดี๋ยนี้เนี่ยเขาเคยสอบถามความเห็นนะของวัยรุ่นเนี่ยไม่ใช่ในเมืองไทยนะในเมืองนอกเนี่ยหลายคนบอกเลยนะวันเนี่ยการมีสิวเนี่ยมันเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวนะโอ้มันสร้างความทุกข์มหาลัยเลยอาจจะทุกข์ยิ่งกว่าคนที่พเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งซะอีกนะคนที่พเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะแต่ว่าทําใจได้เนี่ย อาจจะทุกน้อยกว่าคนที่เป็นสือหรือมีสือไม่กินเม็แต่ว่าหมกมุ่นคุนคิดกับมันทั้งวันจนกินไม่ได้นอนไม่หลับในทองเดียวกันนะคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยล้วก็ตั้งใจอยากให้ใจสงบไม่อยากให้มันมีความคิดฟุ้งซ่านอยากจะรู้ทันความคิดไวๆเนี่ย แต่พอพบว่าเนี่ยใจมันชอบลอยชอบฟุง้งปฏิบัติเท่าไรา่เท่าไรนี่มันก็ยังไม่สงบสักทีที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าพอไปมองว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับมันเครียดเลยนะ บางทีนอนไม่หลับเลยบางคนนี่ถึงกับบอกว่าโอ้ยฉันหมดหวังแล้วเรื่องการปฏิบัติบางคนถึงกับท้อแท้ในการมีชีวิตเลยนะเคยเจอนะพระรูปหนึ่งเนี่ยไปตัดพอกอาจารย์ทนะํายังไงก็ไม่รู้สึกตัวสักทีหรือว่าไม่รู้สึกตัวต่อเนื่องกลุ้มใจที่ปฏิบัติไม่ก้าวหน้า คิดจะเลิกปฏิบัติหรือว่าศึกไปเลยเนี่ย้ปัญหาเนี่ยที่มันทําความท้วยกับเราเนี่ยมันไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นปัญหาใหญ่นะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีนะเพราะว่าเราไปหมกมุ่ น, นคุณคิดกับมันหรือแบ่งมันเอาไว้นานๆปัญหาเล็กเนี่ยอาจจะไม่ได้หนักหนาอะไร แต่เราชอบเพิ่มความหนักให้มันนะโดยการที่คุณคิดถึงมันบ่อยๆไม่ปล่อยไ ม, ไ ม, ไม่วางสักทีก็เหมือนกับที่อาจารย์บอกนะว่าแก้วนี้นะ้มันก็หนักเท่าเดิมแต่ว่าถ้าถือมันไปนานๆมันก็จะยิ่งหนักขึ้ น, ห น, นหนักขึ้นหนักขึ้นมันมีนวิธีหนึ่งที่เราจะช่วยตัวเองได้นะเวลาเจอปัญหาคือว่าจะไปเพิ่มความหนักให้มัน ในเมื่อเราไม่ชอบมันอยู่แล้วแต่ทำไมเราไปเพิ่มความหนักให้มันเพิ่มความร้ายแรงให้กับมันเพิ่มยังไงนะเพิ่มในการที่ไปหมุนคุ้นคิดกับมันแต่ถ้าเรารู้จักวางมันลงนะความหนักมันก็จะลดลงมันไม่ใช่แต่แก้วน้ำเดียวนะแม้ทั้งกระดาษเนี่ยกระดาษดูมันก็ไม่ค่อยหนักนะกระดาษนี่มันเบาแผ่นเดียวแต่มันจะกลายเป็นของหนักทันทีถ้าเราถือมัน ทั้งวันเลยไอการถือมันนานๆนี่ก็คือการไปเพิ่มความหนักให้กับมันตรงที่มันจ้ถือไม่ไหวเลยนะมือสั่นเลยนะเท่าถือเป็นชั่วโมงนะอะอเคล็ดลับในการที่จะทําให้ปัญหามันเบาบางคือว่ารู้จักวางมันลงบ้างนะปัญหาใหญ่ถ้าเรารู้จักวางเนี่ยมันก็จะไม่สร้างความช่วยกับเรามากในทางตรงข้ามปัญหาเบาๆเล็กๆน้อยๆ ถ้าเป็นหมกมุ่นคุ้นคิดกับมันมากๆนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจนกระทั่งกลายเป็นวิกฤตของชีวิตเลยทีเดียวให้การที่เราถือหรือหมกมุ่นหรือการที่เราถือหรือคุ้นคิดอะไรบางอย่างก็มีประโยชน์นะเราอาจจะถ้าเราต้องการพิิจพิจารณาแ ก, รแก้วน้ําหรือน้ําในแก้วเนี่ยเราก็จะเป็นต้องถือมันไว้บ้างคลายครวนมันแต่แล้วก็ต้องรู้จักวาง ถ้าไม่วางนี่นะมันจะทุกข์นะถ้าปัญญาก็ไม่เกิดเราถูกฝึกมาให้ใครู้จักคลควนสิ่งต่างๆลวนทั้งปัญหารู้จกักพิจารณาอันนี้ดีอยู่นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาต้องรู้จักวางนะพอถ้าไม่วางแล้วนี่มันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองถือไปนานๆนี่มันก็เดี่ยงนะ ดีเองจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกทําอะไรไม่ได้เลยเรีอกว่าเป็นอมพาสไปเลยก็มีเพราะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่พึงใส่ใจเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราแต่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรกับมันด้วยถ้าเราถือถ้าเราแบกถ้าเรายึดถ้าเราคุ้นขกับมันมากๆอันนี้เราแย่เลยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าคือว่าเรารู้จักวางมันบ้างไหมหรือเราจะยึด ถือแบกมันตะพึ่ตะพือแล้วก็ไปโทษว่ามันหนักมันหนักมันหนักทั้งที่มันก็ไม่ได้หนักเลยแก้วหรือกระดาษนี่ก็ไม่ได้หนักเบาด้วยซ้ําแต่เพราะถือมันไม่วางต่างหากนะความทุกข์มันจึงเกิดจากการที่เราไปถือไปแบกไว้งั้นถ้าเราพิจารณาเนี่ยนะรู้จักมองตนนะแล้วก็รู้ทันว่านี่เอ้ยเรากำลังแบกไว้แล้วพอรู้ตัวมันก็วางลงได้แต่ถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็แบก นะจนกนระทั่งเด้งไปเลย